ก็ตามตามทายาสัยให้สะดวกในการปฏิบัติธรรมโอกาสนี้ก็มีใจมีกายก็เรียบร้อยเพราะว่าเราก็อาสวดมดิมงคลดูดอมหายใจ ลม <c oughs> หายใจเข้าก็ลึกๆึแล้วก็ลหายใจออกก็ลึกๆึกอาจารา์ลมหายใจของเราเป็นปกติก็ใจก็ตามตามกันมีสมาธิก็ดีจารก็เราก็ เ, เวลานี้ก็ให้มีสติก็มากขึ้นรอยกมันสั้นจังวะก็ดีหรือว่าดูลมหายใจก็ดีก็ทำความรู้สึกตัวรู้สึกตัวดูกายเป็นยังไงใจก็เป็นยังไง อยู่ที่นี่หรือเปล่าหรือเอาไปข้างนอกออกไปแร่งอดีตอนาคตหรือเปล่าก็พิจารณาดูปัจจุบันขณะปัจจุบันคณะก็มีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะด้วย ก็คือว่าเราทำอะไรกันอยู่เพื่อเพื่อทำเพื่ออะไรก็เราก็รู้จักจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายของชีวิตเราไม่ใจเพื่ออ่า ความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าเอาสิ่งใดสิ่งนั้นก็เราก็เอาแต่จุดมันหมาย ส, สุดก็บรรล อ, อามาพ่อนยิบผ่านแล้วก็ นจะพูดไม่สมควรจะคิดก็เราก็ปล่อยอ่ยบานไปแต่บางทีก็ติดกับมันก็ไม่เป็นไรเราก็รู้จักว่าติดก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อย ก็คอยๆบริสุทธิ์มาขึ้นถ้าใจบริสุทธิ์ก็เกิดปัญญา ก็ความเดิมเดิมตัวนั่งเองที่ทำให้เราก็เกิดทุกข์ถ้าเราก็รู้แล้ว ก็ไม่ได้มีเรื่องเป็นลาวเป็นใหญ่ขึ้นก็ได้ก็ดับอ่าเกิดขึ้นนิดหน่อยอยันเล็กน้อยก็ดับไปนี่ก็ชีวิตก็เป็นป่อไปก็พกติดี ก็ไปไหนอยู่ที่ไหนเมื่ อ, อไหร่เวลาไหนก็เป็นปกตินี่ก็คือเป็นความสงบที่แท้จริงเราไม่ได้บังคับไม่ได้คมุมอ่าแล้วก็ ในสังคมไปเวลาที่เราสัมผัสสิ่งไรสารพัดในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะตาก็มองเห็นสี ลูกก็ได้ยินเสียง ทางกายทางใจหรือว่าเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายทางใจก็เราก็มันยอมรับมันแล้วก็ไม่ได้หยุดมันถือมันถ้าเราลืมตัวแป๊บหนึ่ง ก็เกิดมันต่างหาก็ปัะทามพบชาติจรารมรละความทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดไปตามเป็น ก็ตั้งหาประธานีมันไม่ได้เกิดได้ด้วยวันที่ไม่ทันมันตั้งหาเกิดก็ตังหากามตั้งหาก็ดีภาวะตัหาวิภาวะตังหาก็ดีเกิดแล้ว <c oughs> ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ จะมันตนนั้น <c oughs> ก็ปล่อยไปได้ก็ไม่ได้เกิดุดผัดฐานได้ว่าพบชาติก็ได้ <c oughs> <c oughs> ถ้านี้ก็ เฉยๆอากังเกิด ินที่เคอมาที่นี่เขาก็มันไม่มีสติไม่มีปัญญาก่อนที่จะมาที่นี่ก็เลยมันก็ตามตามสัญชาตญาณเป็นความเป็นมาเป็นกรรม เป็นจิตสังขางเกิดขึ้นไปตามตามไปเป็นธาตุของมันก็เลยไม่รู้จักธรรมะไรดีธรรมะไรเชื่ อ, อปล่อยไปปล่อยไปก็ก็ทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับเพื่อน ทะเลาะกับครูกันทุกวันทุกวันแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองก็ทุกวันเพราะว่าไม่รู้จกักที่จะปล่อยไม่รู้จกักเกิดสติยังไง กระตั้นว่าจะกรอตัวเองด้วยว่าตัวเองไม่เป็นไม่ดีก็เลยกวอบฆ่าตัวตายก็บอกวันนั้นแต่ว่ามาที่นี่ก็รู้วิธีหรือเท่าทางกับความคิด แล้วก็รู้ว่าเพราะอะไรเราก็ทุกเพราะอะไรเราทะเลาะกับแม่จริงๆไม่อยากทะเลาะกันอยาก <c oughs> อยู่กับครอบครัวก็ดีอยาก <c oughs> อยู่กับเพื่อนเพื่อก็ดีด้วยมีความสุข <c oughs> แต่ว่าไม่รู้จัก จะทำยัางไงาคิดยัางไงาพูดยัางไงก็เลยหล่นทางกันไปเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโชคดีมาทมาที่นี่ได้แล้วแล้วก็ฝึกตัวเองไป คือจากวิธีที่จะทำให้หยุดการปรุนเตนก็มีสตินั่งเองแต่ว่าถ้าฟันยันเดียวก็ไม่พอต้องฝึก ไปเพราะว่าเราก็เคยจินความคิดยามันแดนมันกับลมพัดเทียงก็บอกมันเป็นแมวกับหนูหนูใหญ่แมวยันจับไม่ได้ถูกหนูเดินไป ก็เลยเราก็ให้อาหารแก่แมวก็มันเจริญสติรู้สึกยกมือก็ดีเดินจองกลมก็ดีรู้สึกขั้นหนึ่งก็เอาอาหารให้แมวให้แมวแข็งแรงขึ้นต่อขึ้น ถ้ายิ่งต่อขึ้นแล้วก็อ่าก็เราก็ไม่ได้ให้หนูมันดึงไปได้ก็เกิดเจ้าของเป็นสติไม่ได้เป็นธาตุของมันแล้วไม่ได้ธาตุของความคิดอารมณ์อะไรทันตาได้แล้ว ก็ฮึกไปฮึกมาก็เข้าใจว่ า, านั้นเองเคยเป็นเป็นธาตุของมันจิตปรุงแต่งก็เราไม่ได้ทำอะไรปล่อยไปตามเป็นกรรม ที่เราเคยทำมาเปนหลายครั้งหลายกล่าวโดยไม่รู้สึกตัวก็โดยหลงทางกันไปเรื่อยๆยิ่นหลงทางบ่อยๆก็ไม่เห็นถูกทางที่ถูกต้น เดิมตัวก็ทำอะไรทำให้ทุกข์ไปตลอดในโลกนี้ก็เป็นคนแบบนี้ก็เยอะแยะแค่ไม่รู้จักธรรมะสิ่งที่ถูกต้องเป็นยังไง ไม่ถูกต้องเป็นยังไงหรือว่าทำวิธีไหนที่จะช่วยพัฒนาตัวเองได้ฝึกยังไงก็ไม่รู้แล้วก็จุดไหนที่สำคัญพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วก็ตอนที่เกิดแบตนานั่นเอง ก็ถ้าเราตามตามเบตนาเกิดตั้งหาสัญญาพัดถามไปก็ก็มันก็ถูกไปไม่รู้จักอะไรมันปัญญาก็ไม่เกิดเป็นถาขอมันแต่ว่าถ้าเรารู้จักแล้วก็ ใจเราก็เราก็เห็นกายเห็นใจก็เข้าใจมันเกิดขึ้นเองวิติกิจฉ้าความรังเดสนสายก็้อยรลอนหมดไปเพราะว่าเกิดแต่คำตอบ คำตอบก็เกิดจากกายเกิดจากใจก็มาเรื่อยๆกายก็ไม่ใจตัวไม่ใจตมใจก็เป็นไม่ใจตัวไม่ใจตมก็แค่อาการมันเกิดอาการดับไป เรื่อ ย, อยไม่มีตัวไม่มีตมไม่มีคนเราไห้ท่านสิ้นในโลกนี้ก็เกิดกับดับไปเป็นอนิจจาแล้วก็เราก็ไม่ต้นยึดมั่นถือมั่งกับ สินที่เป็นวิธีจำประสางไมได้ มีสิทธิก็ <c oughs> คนที่หมายวัตปาสุขตัตโตที่นี่ก็ทุกคนนั่นแหละเราก็ถูกทาน <c oughs> แน่นอนคือบาจารับรองด้วยแล้วก็เราก็ปฏิบัติกันก็รู้ว่าอ๋อเราก็ถูกทานอยู่ไม่ได้ร้นทามไปแค่เราก็เดินด้วยตองแอมไปเรื่อยๆจงกระตั้ง จุดมุนหมายสู์สุดก็ไปได้ก็แก่เราก็ตั้งตั้นใจคันติแล้วก็วิริยะก็ช่วยเหลือเราตามเราปฏิบัติไปก็พจนานนี้ก็ขอให้พวกเราก็ ใช้โอกาสใช้สถานที่ที่นี่ให้เป็นที่ทางต่างใจปฏิบัติธรรมแล้วก็สิ่งที่ดีที่เราได้แล้วก็เผยแผ่กับเพื่อนเพื่อนครอบครัวแล้วก็ก่อนที่เจอกันที่ไหนก็ดีเป็นตัวอย่างที่ดี ทางกายทางวาจาทางใจให้คงเอิงมีโอกาสได้สัมผัสกับพุทธศาสนากับความาสิ่ที่ถูกต้นที่วิธีที่ถูกต้นเพื่อจะดับทุกข์เพื่อจะสร้างสนติภาพ ที่ในประเทศในโลกไปต่อไปนะครับก็สำหรับเยนี้ก็ขอธรมาก็ขออ้าจบผู้เปีเป่ยมไปแค่นี้ก็ต่อไป <c oughs> ก็กลับภาป้องกัน